เรื่องแววเสียงสวรรค์ครั้งแรกได้เขียนเป็นตอนๆลงในหนังสือวิญญาณมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์พุศักรา2509คำว่าแวแวเสียงสวรรค์มีความหมายอย่างไรขอให้อ่านดูในข้อความตอนต้นของหนังสือเล่มนี้และการที่ข้าพเจ้าเดีรวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มนี้ก็เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่จะอ่านเรื่องนี้ติดต่อ ก, กันไปโดยลำดับและเท่าที่นํามาพิมพ์นี้ยังไม่จบเป็นเพียงเล่มที่หนึ่ง ซึ่งได้รวบรวมเรื่องว่าเสียงสวรรค์มาจากในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2509ไปจนถึงเดือนธันวาคม2510เรื่องว่าเสียงสวรรค์ได้เขียนต่อไปอีกจนถึงปีพศ2516เพราะเหตุที่เรื่องนี้ยาวมากจึงอาจต้องทำเป็นสามหรือสีเล่มผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกควรอาดูสารบันโดยละเอียดเสียก่อน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 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัญหาที่มีอยู่ในหน้าสรารบานนัญนี้แต่ไม่ได้นำมาพิมพ์ไว้ด้วยกันก็มีอีกมากเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพบปัญหาที่น่าสนใจสําหรับท่านก็ควรจะไปเปิดดูในเล่มตามหน้าที่สรารบัญบอกไว้อย่างละเอียดและท่านก็จะรู้ว่าความสงสัยต่างๆอย่างที่ท่านมีนั้นมักจะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เกือบทั้งหมดข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะให้ความสว่างได้อย่างมากทีเดียว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 หรือในโลกของโอปปาติกะนั้นจึงควรจะอ่านหนังสือสู่แสงสว่างผีและเทวดามีจริงวิญญาณคืออะไรและเรื่องโลกที่ประกอบด้วยหลวงชื่อพรรัตนสุวรรณสิบธันวาคมพุทธศักราช2516ันหร้สบรบัญทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะเสมอไปหรือไม่และมีบ้างหรือไม่ที่บุคคลบางคน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 อย่างที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นมีจริงหรือไม่สำหรับหนังสือโลกทิพเป็นหนังสือแปลของต่างชาติที่เป็นนักบวชนอกศาสนาแต่กลับบรรยายเรื่องโลกหลังความตายไว้ตรงกับหลักกรรมของพุทธซึ่งชมรมผลดีจะทําเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับสภาพของโลกโอปปปาติกาที่ว่ามีแผ่นดินแม่น้าภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ ที่คนในโลกของโอปปาติกะมองเห็นหรือสัมผัสได้นั้นได้แก่สภาพโลกมนุษย์นี่เองหรือจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากที่มีอยู่ในโลกมนุษย์คนที่ตายโดยอุบัติเหตุและค่าตัวตายมีอนาคตอย่างไรผู้ที่ตายในสงครามจะไปนรกหรือไปสวรรค์ผีหลอกคืออะไรยมาบาลมีจริงหรือไม่ต้นนิ้วในเมืองนรกมีจริงหรือไม่เมืองนรกอยู่ที่ไหน ควรจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องสารพระภูมิภายในวัดจะตั้งสารพระภูมิได้หรือไม่พระภูมิคือใครเทพบุทแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่เหตุไยการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิ ด, กดความร่ำรวยวิธีติดต่อวิญญาณและลางสังหรณ์เหตุไยคนที่ไม่ดีจึงมักจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีวิมารในโลกทิพเกิดขึ้นได้อย่างไร ในขณะที่คนเราจะสิ้นใจจะมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือไม่และเมื่อตายไปแล้วความเจ็บปวดจะยังมีอยู่หรือไม่สายใหญระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์คืออะไรต้นไม้ในโลกทิพย์เกิดขึ้นมาอย่างไรในสวรรค์มีพิธีบวชพระหรือไม่อายุของพวกสรรวนรกและเทวดาในสวรรค์เหตุไรจึงนานจะปฏิบัติอย่างไรกับคนที่เพิ่งตายใหม่ๆเกิดเป็นทุก์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 ไม่พอที่จะต้อนรับและอีกประการหนึ่งก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะจัดให้มีนิทัศการทางจิตเพื่อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ที่ห้องฝึกสมาธิของแผนกธรรมวิจัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันหนึ่งข้อความที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้ขอให้ท่านถือเป็นเพียงแนวของการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้ต่อไปแต่อย่างไรก็ดี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 ส่วนข้อความที่ถ่ายทอดนำมาลงในหนังสือวิญญาณนี้ข้าพเจ้าได้เก็บใจความมาเขียนไม่ใช่ลอกข้อความมาทั้งหมดหมายเหตุปัจจุบันอาจารย์พรท่านจากโลกนี้ไป น, นานแล้วนะครับและท่านก็ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนซึ่งใช้เป็นที่อบรมสมาธิวิปัสนาแก่พระนิสิตของมหาจุลามาจนถึงปัจจุบัน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 โปรดอย่าได้ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนคติตนแลเป็นคติของตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและสามารถช่วยเหลือเราได้จริงแต่ก็อยู่ภายในขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นอย่าได้หวังอะไรลุ่มหล้่มแ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 แต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังอยู่และอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะฉะนั้นในเมื่อพระธรรมยังอยู่ก็เหมือนพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอา น, นุนเมื่อเราเปิณนิพพานไปแล้วธรรมและวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราสืบไปและตรัสว่าอีกว่าผู้ใดเห็นธรรม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 มีต้นไม้แม่น้ำภูเขาแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นมีจริงหรือไม่โลกทิพในที่นี้คือหนังสือที่แปลมาจาก life in the world unseen ซึ่งเป็นการติดต่อทางวิญญาณของโรเบิร์ตยูเบนสันและแอนโทนีบอเจียซึ่งชมรมผลดีได้จัดทำเป็นเสียงงานไว้แล้วนะครับผู้ตอบปัญหาข้อนี้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 ส่วนแผ่นดินต้นไม้แม่น้าภูเขาและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเท่าที่มีอยู่ในโลกของโอปปาติกะคือโลกทิพนั้นพอท่านเกิดมาท่านก็เห็นว่ามันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านได้ตอบอย่างนี้แล้วท่านก็ได้ออกตัวว่าท่านไม่ใช่จะรู้อะไรทุกอย่างเท่าที่บอกไปนั้นก็บอกเท่าที่ท่านรู้รั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ถามท่านต่อไปอีกว่า สภาพของโลกของโอปปปาติกาที่ว่ามีแผ่นดินแม่นม้ำภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ท่านมองเห็นหรือที่ท่านสัมผัสได้นั้นก็ได้แก่สภาพของโลกมนุษย์นี่เองหรือว่าแผ่นดินแม่นม้ำภูเขาที่ท่านเห็นนั้นเป็นสิ่งหนึ่งนอกจากแผ่นดินแม่นม้ำภูเขาในโลกมนุษย์เหมือนอย่างว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นโอปปปาติกะเมื่อก่อนมีรูปร่างลักษณะยอย่างไรเมื่อตายแล้ว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 เป็นจินตนาการทางจิตใจที่เขาสร้างขึ้นเองใช่หรือไม่ท่านตอบว่าจะว่าในธรรมนองนั้นก็ใช่และท่านอธิบายต่อไปอีกว่าพวกโอปปปาติกะบางประเภทจะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกมนุษย์แต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกทิพย์มองไม่เห็นและโอปปปาติกะบางประเภทก็จะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกทิพย์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 จะทำให้ไปเกิดในที่ไหนไปเกิดกับใครแต่ก็ด้วยวิบากอันนั้นแหละจะทำให้ตนเองไปวนเวียนอยู่ที่นั่นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างสุดล้าแต่ความเหมาะสมและโดยธรรมดากระแสะจิตของผู้ที่จะเป็นพ่อและเป็นแม่ย่อมมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้แม่ต้องฝันออกมาในรูปใดรูปหนึ่ง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 ซึ่งหมายความว่าในขณะตั้งครรนนั้นตามสภาพร่างกายของแม่และเด็กขาดวัตถุธาตุอะไรที่จะต้องนำไปใช้ในร่างกายเหตุอันนี้หละที่ทำให้เกิดความอยากสิ่งนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติความเห็นของแพทย์ในลักษณะเช่นนี้ถูกหรือไม่ท่านตอบว่ามีส่วนถูกอยู่บ้างแต่สาเหตุส่วนใหญ่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 คนเราแม้ว่าอวัยวะทุกอย่างจะมีเหมือนกันแต่เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษบางประการของอวัยวะแต่ละอย่างย่อมไม่เหมือนกันและคุณสมบัติพิเศษที่ว่านี้ก็ได้มาจากอาหารเช่นในเมื่อคนสองคนมีระดับสติปัญญาไม่เท่ากันมาตั้งแต่เกิดนั่นย่อมหมายความถึงว่าคุณสมบัติของสมองย่อมไม่เหมือนกัน วัตถุธาตุที่เป็นส่วนประกอบแห่งโครงสร้างของสมองก็ย่อมไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะแตกต่างกันทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณของวัตถุธาตุที่เป็นส่วนประกอบนั้นๆซึ่งความแตกต่างที่ว่านี้สาเหตุส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากสภาพของวิญญาณเช่นคนที่มีปัญญาบารมีสูงมีคุณธรรมเข้มข้นเมื่อเกิดมาเป็นคน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 เคยมีความต้องการอย่างไรความต้องการอันนี้จะมามีอิทธิพลต่อจิตใจของแม่และทำให้แม่มีอาการแพ้ท้องออกมาตามลักษณะของร่างกายและจิตใจนั้นๆคนที่ตายดยอุบัติเหตุ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 คือทำให้ไปเกิด น, นรกต่อไปอีกสำหรับในกรณีของผู้ที่สิ้นกรรมแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั้นพ่อฤาษีบอกว่าเท่าที่ท่านรู้จะต้องมีโอปปปาติกาจจากสวรรค์มาคอยรอรับอยู่เสมอและในกรณีของผู้ที่จะไป น, นรกก็เหมือนกันความจริงบุคคลที่ตายด้วยอุบัติเหตุนี้ทุกราย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 เคยเชื่อมาอย่างไรก็มักจะมีความเห็นและเชื่อไปตามนั้นทางนี้ยกเว้นบุคคลบางประเภทที่ทําอะไรมีเหตุผลเสมอบุคคลประเภทนี้ความคิดเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าหากมีใครมาแนะนำอย่างมีเหตุผล หมายเหตุผู้อ่านในเรื่องของคนตายที่ต้องวนเวียนอยู่ในที่เดิมไปไหนไม่ได้นั้นให้สังเกตนะครับว่าเกิดจากความยึดติดและผูกพันหรือยังปล่อยวางทั้งโลกไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงจํานวนมากก็อาจอยู่ในภาวะที่คล้ายกันคือความยึดมั่นแห่งจิตและความผูกพันเหนียวแน่นบางอย่างทั้งที่ควรจะไปสบายควรจะไปสวรรค์หรือได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเดิม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 ผูที่ตายในสงครามจะไปนรกหรือไปสวรรค์อาจารย์สิริได้ถามต่อไปอีกว่าอูที่ตายในสงครามซึ่งจะต้องมีการฆ่ากันเป็นการกระทำปานาติบาตก็ดีและบางคนแม้จะยังไม่ทันฆ่าใครตายแต่ตัวเองถูกเขาฆ่าตายเสียก่อนก็ดีบุคคลเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่ามีเจตนาในการฆ่า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 พูดคำหยาบพูดเหลวไหลมากด้วยความโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิในที่นี้คืออากุศลกรรมรบทสิบนะครับบุคคลนั้นเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรก 2. แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นมิจฉาทิฐิ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 เป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในสมาธิฏฐิอย่างแน่นแฟ้นเขาย่อมสวยวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อๆไปอีกดูก่อนอาน์สำหรับบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์จนถึงเป็นสมมาธิฏฐิเมื่อกายแตกทำลายตายไปแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงอบายทุกคติ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 แต่เนื่องจากคนทั่วไปมีอุปาทานถ้าบังเอิญไปเห็นคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏก็พูดกันว่าเห็นผีแล้วก็เกิดความหวาดกลัวทั้งทังที่โอปปปาติกะที่เห็นนั้นบางคนก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นโอปปปาติกาชั้นสูงคือโอปปปาติกาที่เป็นชั้นเทวดาหรือชั้นพรมก็ได้แต่เนื่องจากโดยกฎธรรมดา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 รูปร่างของย ม, มาบาล น, นั้นอ้วนใหญ่ท้องพลุยศีสะล า, านในตาเถมึงถึงไม่สวมเสือ้อแต่นุ่งผ้ามือถือขวานนั่งอยู่บนบันหลังใต้ต้นไม้และข้างๆย ม, มาบาลจะมีลูกน้องคอยตรวจบัญชีว่าใครจะตายเมื่อไรและทำบาปกรรมอะไรมาบ้างอะไรทำนองนี้เป็นต้น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 จะต้องมีโอปปปาติกะมาคอยรับเสมอไปผู้ที่ไปโดยลําพังตัวเองก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันซึ่งหมายความว่าพอสิ้นใจลงประดับจิตใจของตัวเองอยู่ในภูมิไหนก็จะไปเกิดในภูมินั้นทันทีท่านบอกว่าหลักใหญ่ใหญ่มีอยู่ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปไวมากซึ่งจะต้องตกนรกนั้น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 หรือเกือบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นั้นก็เพราะความยึดถือของเขาอย่างนี้ไม่มีแต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับความทรมานในรูปอื่นพวกสัตว์นรกประเภทนี้ก็คือพวกคนบ้าประเภทที่ประสาท ต, ตาและประสาทหูสร้างภาพและสร้างเสียงขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าพวกสัตว์นรกนั้น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 ที่ผิดๆเอาไว้ในสันดานของตัวเมื่อวิบา ก, กรรมนี้ให้ผลในโลกของโอปปาติกะนั้นมันออกมาชัดเจนและรุนแรงมากเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์เรากระทำสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีนี้ถึงแม้ตัวเองจะเคยชินกล่าวคือสามารถทำได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนใจ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 หรือคนที่เจ็บหนักจนจะตายความรู้สึกที่ไม่ดีที่ตัวเองทําไว้ที่ตัวเองสะสมเอาไว้มันจะมีผลออกมาทำให้คนนั้นได้รับการทรมานเช่นทำให้ฝันร้ายทำให้เห็นสิ่งที่น่ากลัวได้ยินสิ่งที่น่ากลัวทั้งๆสิ่งที่เห็นและได้ยินนั้นไม่ใช่ความจริงแต่มันก็ทรมานไม่น้อยท่านบอกว่า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 ในขณะที่มันสร้างภาพหรือสร้างเหตุการ์ขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองนั้นคนคนนั้นจะไม่มีทางรู้ตัวเลยว่ามันเป็นภาพมายาเขาจะเชื่ออย่างสนิทว่าเป็นของจริงและท่านบอกว่าเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์สมมุติว่าเรานึกว่าไฟไหม้เราเราก็จะรู้สึกว่าร้อนแต่ความจริงเราจะไม่ร้อนเลย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 เป็นพวกที่สะกดจิตตัวเองและสะกดได้ลึกกว่ามนุษย์ทำหลายเท่าเพราะร่างกายและประสาทของเขาเกิดจากอำนาจจิตล้วนเพราะฉะนั้นความคิดของพวกเหล่านี้ก็คือการกระทำจริงๆนั่นเองข้าพระเจ้ารู้สึกว่าคำอธิบายของท่านฟังเข้าใจง่ายมากแล้วรู้สึกว่าไม่ทราบว่าจะหาเหตุผลอันใด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 เกี่ยวกับเรื่องเมืองนรกมาเล่าให้ท่านฟังอีกสำหรับในฉบับนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอทิ้งท้ายด้วยพุทธพจน์ที่ว่าอิทาตต ป, ปติเป จ, จาัตตปติปาปากาวรีอุพยธาธต ป, ปติปาปังเมกตันติต ป, ปติพินโยต ป, ปติทุกขติงคตโตคนที่ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง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 อยู่อีกโลกหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าทิณนรกที่ถามนี้หมายถึงนรกขุมหนึ่งหรือแดนหนึ่งที่มีสภาพอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าสภาพของเมืองนรกทั้งหมดเป็นทินที่มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นโปรดจําไว้ให้ดีทินนรกที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น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 กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแนวความคิดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเว้นนั้นประเสริฐที่สุดแต่เพราะเหตุที่ทุกคนย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นศา ส, สนาต่างๆจึงจาเป็นจะต้องมีแม้แต่ในสมัยที่พระองค์ยังทรงชีวิตอยู่ศา ส, สนาต่างๆที่นอกเหนือไปจากพระพุทธศาสนา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 ก็อยากจะให้มาสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของตัวเองบ้างจึงได้สร้างจำลองเทวาลัยหลังเล็กๆไว้ที่บ้านของตัวเองทั้งนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการเชื้อเชิญเท่านั้นคนที่มีฐานะดีก็สร้างได้ใหญ่โตและสร้างได้สวยงามเหมือนกับเทวาลัยจริงๆส่วนคนซึ่งมีฐานะไม่ดีก็สร้างเพียงพอเป็นสังเขปและต่อมาในเมื่อตอนเองนับถือใคร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 ขึ้นมาได้ทันทีป้ารันได้ถึงแก่ ก, กรรมมาเมื่อประมาณเกือบสามปีมานี้ในที่นี้คือหกกันยายนพุทธศักราชสองพ้ารป้ารันในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เคยมาอยู่ที่วัดมห า, าธาตุหลายปีเป็นคนใจบุญชอบอยู่วัดชอบปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาป้ารันเป็นคนมีฐานะดี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 เขาก็จะได้ด้วยบุญของเขาแต่จัด ก, การที่เขาเห็นมนุษย์เป็นคนใจบุญแสดงความเคารพนับถือต่อเขานั้นย่อมเป็นปัจจัยธรรมะจิตของเขาเกิดเป็นกุศลซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะในโลกของโอปปาติกะนั้นเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องที่มีความหมายมากที่สุดมันเหมือนกับในโลกมนุษย์เงินเป็นสิ่งที่มีความหมายมากเพราะเงินสามารถเจบันดาลอะไรได้หลายอย่าง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 คือน้ำฝนพอฝนตกลงมาแผ่นดินได้รับความชุ่มชืน้นพืชนั้นก็จะงอกงามขึ้นมาทันทีข้อนี้สันใดบุญกุศลที่เขาได้ทำไว้แล้วเมื่อชาติก่อนๆ น, นั้นเปรียบเหมือนพืชที่ปลูกลงไว้แล้วอนุโมทนาจิตเปรียบเหมือนน้ำฝนซึ่งจะทำให้พืชแห่งกุศลที่เขามีอยู่ก่อนแล้วนั้นจเจริญงอกงามขึ้นมาเพราะฉะนั้น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 และการสังเวยต่างๆและก็เข้าใจกันอีกว่าพระภูมิจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้รอบรู้สามารถที่จะให้ความคุ้มครองหรือบรรดาลอะไรก็ได้ความจริงในเรื่องนี้มีอยู่อย่างไรกันแน่ท่านได้ตอบว่าพระภูมิไม่ใช่มีองค์เดียวซึ่งใครจะเชิญไปไหนก็ได้เช่นอย่างตัวท่านจะเรียกว่าเป็นพระภูมิก็ได้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 โอปปปาติกะรับความรู้สึกจากโอปปาติกะคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาเมื่อโอปปาติกะที่มีศักดิ์น้อยพอเข้าใกล้โอปปาติกะที่ท่านมีบุญบา ร, รมีสูงกว่าก็จะรู้ได้จาความรู้สึกของตัวเองกล่าวคือจะรู้สึกเกรงกลัวหรือเกิดความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นถ้าหากจะถือว่าโอปปปาติกะที่เป็นหัวหน้าในสถานที่แต่ละแห่ง คือตัวพระภูมินอกนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นความเข้าใจของมนุษย์ที่มีความรู้สึกว่าพระภูมิมีองค์เดียวส่วนตามความรู้สึกของพวกโอปปาติกาทั้งหลายแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านแนะนำว่าอย่าเข้าใจว่าโอปปาติกาที่มาอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม จะต้องอยู่ประจำกันตลอดไปพวกที่จะอยู่ประจำไม่ค่อยไปไหนจนกว่าจะถึงเวลาจุติก็คือพวกภูมิเทวดาเพราะโดยปกติพวกนี้ไปไหนไม่ค่อยได้เมื่ออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนานๆคำว่าภูมะแปลว่าแผ่นดินฉะนั้นคำว่าภูมิเทวดาจึงหมายถึงพวกเทวดาชั้นต่ำ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 เทวดาพวกที่ไม่ว่างพอที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นมีมากเพราะฉะนั้นจะต้องจําไว้ให้ดีว่าอย่าไป น, นึกหวังว่าท่านจะช่วยได้ตลอดเวลาและที่บอกว่าเทวดาสามารถช่วยมนุษย์ได้ภายในขอบเขตจํากัดนั้นมีเหตุผลหรือมีหลักการที่ควรจะจดจําไว้ดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าให้ดูที่ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่าง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 ที่มีความรอบรู้หรือมีความถนัดในเรื่องนั้นเพ่งข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะเขียนหนังสือด้วยตนเองหรือจะบอกให้ใครเขียนก็ตามหรือในขณะที่กำลังปัตกถาก็ตามท่านบอกว่าข้าพเจ้าเองก็สังเกตได้ดีในเรื่องนี้เพราะว่าในขณะใดถ้ามีโอปปปาติกะคอยช่วยเหลือความคิดของข้าพเจ้าจะว่องไวมีปฏิภาณดี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 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็สั่งให้เอามาบอกข้าพเจ้าอีกทีหนึ่งหมายเหตุกุญสีเพนจะตุทัศสีเป็นสิทธิคนสำคัญของอาจารย์พรที่สามารถเข้าทรงหรือสามารถเข้าสมาธิเพื่อสื่อสารกับอปปปาติกะโดยตรงได้ซึ่งฤทธิ์หรือความสามารถพิเศษแบบนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษไม่ได้หมายถึงว่าจะรู้แจ้งในธรรมหรือบรรลุธรรม จะเห็นได้จากพระอาหารหันต์ในสมัยพุทธกาลที่มีทั้งมีฤทธิ์และไม่มีฤทธิ์ตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรซึ่งเป็นเอตัดทักคะคือเป็นผู้เลิศในด้านมีปัญญามากก็ไม่มีฤทธิ์กับพระมหาโมคลานะที่เป็นเอตัดทักคะในทางผู้มีฤทธิ์ซึ่งจะเห็นว่าเด่นไปคนละด้านทั้งที่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันนะครับท่านบอกว่า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 แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มากไปกว่าที่บุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้ได้ท่านสั่งมาว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่ามนุษย์หวังพึ่งโอปปาติกะมากเกินไปท่านให้ข้อคิดว่าคนส่วนมากตัวไม่เป็นสื่อไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อกับโอปปาติกะได้ฝ่ายโอปปปาติกะแม้ว่าจะมีความปรารถนาดี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 และยังมีโอปปาติกาอื่นๆอีกหลายองค์ซึ่งท่านเคยมาให้คำแนะนำและคอยดูแลข้าพเจ้าเสมอส่วนท่านเองเป็นผู้มาทีหลังจงพิจารณาดูว่าบรรดาโอปปาติกาทั้งหลายที่กล่าวนา ม, มานี้ช่วยเหลือข้าพเจ้าได้แค่ไหนข้าพเจ้ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องการจะให้เกิดเป็นผลสาเร็จและท่านช่วยได้แค่ไหนเพราะฉะนั้น ให้พิจารณาดูให้ดีว่าเราจะหวังพึ่งโอปปปาติกาจริงๆนั้นไม่ได้เราจะต้องช่วยตัวเราเองโอปปปาติกาทั้งหลายจะช่วยเหลือมนุษย์ได้ก็เท่าที่บุญบา ร, รมีของเราจะพึงอำนวยให้เท่านั้นท่านเดให้สติที่ควรแก่การจดจำอย่างยิ่งที่สุดอีกว่าให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า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 ก็จะดึงดูดเอาพวกโอปปปฏิกาที่ไม่ดีเข้ามาอย่างพวกที่ชอบเล่นการพนันหรือดื่มเหล้าอยู่เสมอก็จะมีพวกผีการพนันผีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ซึ่งจะทำให้ได้รับอิทธิพลจากพวกผีเหล่านี้ด้วยและโดยปกติพวกโอปปปฏิกาทั้งหลายเปลี่ยนนิสัยยากยิ่งพวกโอปปปฏิกาชั้นต่าก็ยิ่งยากขึ้นอีกหลายเท่า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 ส่วนคนที่จะเลิกได้จริงๆจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากซึ่งข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเขานั่นเองเพราะถ้าคนไหนไม่เคยสร้างสัจจะบารมีขันติบารมีและอธิษฐานบารมีมาอย่างมากแล้วจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ได้ในตอนท้ายท่านได้เตือนว่าการที่เราจะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องพระภูมินั้น พระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องเหล่านี้ไว้ดีแล้วขอให้ปฏิบัติตามหลักในมงคลละสูตรเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะคนที่ปฏิบัติตามหลักในมงคลละสูตรนั้นจะมีสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวเองซึ่งสิริมงคลที่ว่านี้มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นแต่สำหรับเทวดาทั้งหลายแล้วเห็นง่ายมากเพราะผู้ที่มีสิริมงคลอยู่กับตัว มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเทวดาจะสังเกตเห็นได้จากรัศมีที่ออกมาจากคนคนนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักในมงค ล, ลสูตรได้มากปฏิบัติได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นส่วนมากรัศมีอันเป็นเครื่องหมายของสิริมงคลก็จะออกมาม า, มากสว่างมากสวยงามมากและด้วยรัศมีที่มีสิริมงคลนี่เองจะทาให้เทวดาชั้นสูง เกิดความเมตตาปราณีและเต็มใจที่จะให้ความคุ้มครองและพร้อมกันนั้นด้วยอํานาจแห่งรัศมีที่เป็นสิริมงคลก็จะทําให้พวกพูดผีปีศาจคือพวกโอปปปฏิกะชั้นเลวเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดยอยากได้พระภูมิที่ดีมาอยู่ด้วยก็ขอให้ปฏิบัติตามหลักในมงค ล, ลสูตร จะเป็นการกระทำที่ไม่ทำให้ผิดหวังและเป็นการกระทำที่ไม่งมงายเป็นการกระทำที่บันดิตทั้งหลายสรรเสริญทั้งในโลกนี้และในโลกของโอปปาติกะมหมายเหตุผู้อ่านเรื่องรัศมีที่แผ่ออกมาจากร่างกายนั้นต่างชาติเรียกกันว่าแสงออร่า มีการพยายามประดิษกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายแสงเหล่านี้โดยตรงให้สังเกตนะครับว่ารูปวาดของพระศาสดาหรือบุคคลที่สำคัญทางศาสนาในสมัยก่อนนั้นมักจะมีภาพพระสมีปรากฏและว่าตรงกันทุกศาสนาเข้าใจว่าคนสมัยโบราณ น, นั้นไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจมากจิตจึงสงบง่ายการบาเพ็ญสมาธิจึงได้ผลง่าย ก็มีปลาที่ท่านจะมองเห็นรัศมีกายของผู้ทรงคุณต่างๆนั้นตามความเป็นจริงซึ่งแมในปัจจุบันก็มีผู้ฝึกสมาธิหรือปฏิบัติเจริญสติจำนวนมากที่สามารถมองเห็นกลุ่มพลังงานแผ่ออกมาจากร่างกายของคนและบอกถูกได้ ว, ว่าเป็นพลังงานแห่งกุศลหรืออกุศลหรือคนคนนั้นมีนิสัยหนักไปทางใดซึ่งพลังงานที่แผ่ออกจากร่างกายเหล่านี้เองที่เป็นแรงดึงดูดที่สาคัญ ม่ใช่ดึงดูดแค่โอปปาติกะคือผีและเทวดาที่มีนิสัยหรือมีพลังงานตรงกันแต่ยังดึงดูดคนประเภทเดียวกันให้เข้าใกล้กันแล้วรู้สึกดีคนดีมีศีลย่อมดึงดูดคนดีมีศีนเข้ามาในชีวิตได้ง่ายหรือมีความพอใจอยากอยู่ใกล้อยากคบหากันได้ง่ายซึ่งความเจริญของคนเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้คนรอบกายก็มีส่วนสำคัญมากที่จะสั่งสอนแนะนำหรือดึองดูดให้เราทำดีทำชั่วให้เจริญหรือตกต่ำไปในทางดีทางร้ายได้เช่นกันหลายคนอาจไม่เชื่อว่าพลังงานเหล่านี้มีจริงก็ขอให้ดูตัวอย่างการทดลองของญี่ปุ่นที่มีการทดลองสวดมนต์และดาหรือพูดคำสุภาพคำเพราะและคำหยาบให้น้ำฟังและผลที่ได้ก็ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จนยอมรับกันว่าพลังจากจิตที่เป็นกุศลและอกุศลนั้นมีอยู่จริงและมีผลต่อวัตถุได้จริงอย่างน้อยในวงการแพทย์ก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าจิตที่เป็นกุศลผ่องใสไม่เครียดจะป่วยยากกว่ารักษาง่ายกว่าทำให้การหลั่งสารเคมีในร่างกายออกมาสมดุลได้ดีกว่าส่งผลให้สุขภาพดีผิวพรรณดีหรือแม้แต่ตอบสนองกับยารักษาโรค ที่พิสูจน์ได้ชัดว่าคนเป็นโรคเดียวกันกินยาชนิดเดียวกันรักษาแบบเดียวกันแต่ผลกลับแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของพลังงานทางจิต ท, ที่แผ่ออกมารอบตัวนั้นความจริงทุกคนก็สามารถสัมผัสได้ขอแค่หมั่นสังเกตการเข้าไปนั่งใกล้บางคนหรือไปในบางสถานที่นั้นทำให้เรารู้สึกสงบจิตใจผ่องใสแต่เมื่อใกล้บางคน หรือไปในบางสถานที่นั้นกลับรู้สึกงดหงิดหรือเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ในใจอย่างหาสาเหตุไม่ได้เช่นกันนะครับเทพบุตรแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่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 ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นสวรรค์เพราะในโลกมนุษย์นั้นถ้าหากชายใดมีพัญญาหลายคนก็ไม่ใช่เรื่องสบายนักเพราะพัญญาทั้งหลายมักจะต้องหึงหวงกันและฝ่ายชายถึงแม้ตนจะมีความปรีเพรมกเกษมสำราญสักเพียงไรก็ตามถ้าหากมีมากเกินไปย่อมเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังและสติปัญญาและถ้าหากคนใดหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้จิตใจย่อมไม่สูง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 เราคิดคาดคเนเอาเองจากสามัญสำนึกหรือจากความเคยชินที่มีอยู่ก็มักจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับคนในสมัยปัจจุบันที่ไม่ยอมเชื่อว่าสวรรค์มีจริงเทพบระบุและนางฟ้าก็มีจริงก็ด้วยเหตุที่ใช้สามัญสำนึกของตนเองเกินขอบเขตปัญญาของตนเองอย่างไม่ถึงแต่ก็กล้าวินิจฉัย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 หรือเป็นหัวหน้าผู้ชายได้มากมายข้อนี้ฉันใดในสวรรค์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะน้อยหน้าว่าผู้ชายมีได้แต่ผู้หญิงมีไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงคนใดมีบุญน้อยก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าได้แต่ส่วนมากจะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารเทพระบุตรไม่มีหรือถ้าจะมีก็น้อยเป็นเทพบุตรชั้นต่า อันที่จริงเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์และนรกตามที่กล่าวไว้ในคำพีนั้นถ้าหากผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเข้าใจหลักวิชาและกำหนดขอบเขตให้ถูกก็สามารถจะเข้าใจและเชื่อได้สนิททั้งจะไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดอีกด้วยแต่ก็เป็นของธรรมดาเหลือเกินที่มนุษย์ในโลกส่วนมากจะต้องเข้าใจผิดเพราะเขาเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่กาเนิดและบอดอยู่จนตลอดชีวิต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 ขอให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านจะเห็นความจริงข้อนี้ในที่นี้บทความเขียนไว้พศ2509นะครับประชาชนทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเมื่อได้เห็นในหลวงของเราทุกคนมีความชื่นชมยินดีและทุกคนก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือในหลวงได้เราเต็มใจอย่างยิ่งที่สุด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 และพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับให้ดูว่าทำไมพระอาเรียผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งนักปฏิบัติทำที่ถูกทางจริงต่างมั่นใจว่าท่านเป็นพระดีพระแท้หลายท่านนั้นทำไมถึงสรรเสริญชื่นชมในหลวงรอก้าอย่างมากแนะนําให้ลองอ่านจากหนังสือคำอาเรียถึงในหลวงเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนตัวแล้วเคยมีโอกาสได้รับเสด็จในสมัยปลายรัชการ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 ฉนั้นจึงยึดถือผิดว่าคนมั่งมีจะต้องเป็นคนโกงเสมอวิธีติดต่อกับวิ ญ, ญญาณและหลางสังหอนมีหลายคนสงสัยว่าเมื่อข้าพเจ้าบอกว่า เรื่องนี้ท่านครูบาสีวิชัยหรือโอปปาติกาตนไหนก็ตามเป็นผู้บอกแต่เหตุไรสำนวนคำพูดที่แสดงออกมานั้นสังเกตได้ว่าเป็นสำนวนของข้าพเจ้าเองเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าเรื่องราวที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดมานี้อาจจะไม่ใช่เป็นของท่านที่อยู่ในโลกของโอปปาติกาแต่ออกมาจากจิตของข้าพเจ้าเองแล้วอ้างว่าเป็นขององนั้นองนี้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 การเข้าทรงถ้าหากว่าการเข้าทรงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเราจะได้คำพูดที่เป็นสํานวนทั้งหมดของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงวิธีนี้คนส่วนมากจะพอใจแต่อย่างไรก็ตามการเข้าทรงแม้จะสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากคนทรงยังถอดกายทิพไม่ได้คือไม่ได้มนโนมยิทธิการเข้าทรงจะทําให้เหนื่อยมากและวิธีนี้น้อยคนที่จะได้เห็น ซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงการเข้าทรงที่สมบูรณ์ร้อยอร์เซซึ่งจะเข้าทรงอยู่นานไม่ได้แต่การเข้าทรงทั่ ว, วไปที่ผู้อ่านบางคนอาจจะเคยเห็นซึ่งสามารถที่จะเข้าทรงได้ทั้งวันหรือทั้งคืนโดยที่คนทรงไม่เหนื่อยและบางทีก็มีอภิญญิหารหรือมีข้อเท็จจริงที่ทำให้เชื่อถือได้สำหรับในกรณีอย่างนี้คาพูดที่แสดงออกมาไม่ใช่ออกมาจากโอปปาติกาทั้งหมด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 ทั้งนี้ก็เพราะมีเหตุผลอยู่ว่าคนทรงประเภทนี้จะต้องเป็นคนที่มีบารมีสมมติว่าสามารถบอกยาได้ต่างและคนไข้ที่มาขอเอาไปก็ใช้ได้ผลด้วยสำหรับในกรณีอย่างนี้หมายความว่าคนทรงคนนั้นเมื่อในชาติก่อนเคยเป็นหมอมาแล้วและเป็นหมอที่เก่งวิบากของความเป็นหมอมีอยู่ในสันดาน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 จะทำให้คนทรงดึงเอาความรู้เก่าๆออกมาใช้ได้ด้วยเหตุนี้เองคนทรงบางคนทั้งที่มาก่อนไม่เคยเป็นหมอไม่มีความรู้เรื่องยาแต่ก็สามารถบอกยาคนไข้ได้บอกอาการของคนไข้ได้แต่ยังไรก็ดีโอปปปาติกาที่มาเพ่งจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องหมอด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อจะพูดกันอีกในยะหนึ่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากความคิดที่ผสมกลงกลืนระหว่างคนทรงกับโอปะปะติกะและในกรณีอย่างนี้สํานวนคำพูดย่อมเป็นไปตามความเคยชินของคนทรงและอีกอย่างหนึ่งเราจะสังเกตได้อีกอย่างว่านิสัยใจคอที่แสดงออกมานั้นเป็นของคนทรงเอง สำหรับในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์หรือเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ตามขอได้โปรดจําไว้ว่าคนทรงที่ไม่สามารถจะลับในสมาธิได้นั้นในระหว่างการเข้าทรงจะมีอาการรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกตัวได้ตลอดและคนทรงก็มักจะรู้สึกตัวว่าคําพูดที่ตัวแสดงออกมานั้นไม่ใช่ของตัวเองแต่บังคับตัวเองไม่ได้ ที่จะไม่ให้พูดอย่างนั้นออกมาซึ่งการเข้าส่งแบบนี้จะทําทั้งวันหรือทั้งคืนก็ได้การเข้าส่งแบบนี้ย่อมหมายถึงความผสมกลมกลืนระหว่างความคิดจากจิตไร้สํานึกหรือจากความชนานาญที่มีอยู่แล้วในสันดานกับความรู้สึกนึกคิดของโอปปาติกะการเข้าส่งที่แพร่หลายชนิดที่มีผลทําให้คนเชื่อถือได้มากบ้างน้อยบ้าง และคนทรงมีจตนาสุจริตนั้นย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งสิน้นสำหรับตัวข้าพเจ้าเองที่ถ่ายทอดความคิดจากโอปปาติกาได้นั้นก็เป็นไปนตามหลักเกณฑ์อันนี้แต่ข้าพเจ้ามีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือเมื่อข้าพเจ้าต้องการจะทราบเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็จะให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปซักถามท่านเสก่อน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 จนเกิดอุปาทานว่าเรื่องอย่างนี้เหลวไหลทั้งนั้นข้าพเจ้ามีตัวอย่างอยู่รายหนึ่งที่สามารถจะสอบหลักฐานได้คือมีสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อคุณวัชรีศิริเวทท่านผู้นี้เป็นนักศึกษาที่สาเร็จจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนเขียนรูปเก่งมากและเป็นคนที่มีสมาธิดีพอสมควรโดยปกติคุณวัชรี เวลาเขียนรูปจิตใจจะจดจ่ออยู่แต่ในเรื่องการเขียนจึงกระทั่งแม้ยุงจะกัดอย่างไรบางครั้งจะไม่รู้สึกเลยและบางทีก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องเขียนรูปทั้งวันอาหารไม่รับประทานครั้งหนึ่งเขาเกิดสงสัยตัวเขาเองว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับโอปปาติกะจึงมาให้คุณศรีเพนตรวจดูก็ปรากฏว่าสามีของเขาในชาติก่อน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 วันหนึ่งสามีในชาติก่อนซึ่งมีชื่อว่ากฤษณะมาบอกคุณศรีเพนให้ช่วยบอกคุณวัชรีเขียนรูปของเขาคุณวัชรีบอกว่าเขาจะเขียนได้อย่างไรเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าตาของปริสนะเลยเรื่องราวในชาติก่อนก็ลืมไปหมดแล้วกริสนะบอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะเขียนรูปขอให้นึกถึงเขาขอให้ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเขาจะมาช่วยเขียนให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 ในหนังสือวิญญาณฉบับเมษายนพุทธศักราช2508ผู้ที่สนใจต้องการจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้อ่านจากหนังสือวิญญาณฉบับรวมเล่มของปีแรกมาเหตุผู้อ่านในหนังสือของต่างชาติหลายท่านที่เขียนเกี่ยวกับการติดต่อทางวิญญาณก็กล่าวไว้ตรงกันนะครับว่าชีวิตของมนุษย์นั้น มีโอปปาติกะมาเกี่ยวข้องเสมอซึ่งหลักของการช่วยและกลั่นแกล้งนั้นโดยมากก็ใช้การเพ่งประสาจิตให้เกิดความรู้สึกเนื้อคิดเพื่อการโน้มนำให้คนคนนั้นทำไปตามใจที่โอปปาติกะต้องการในการช่วยก็เช่นดวนใจให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีไม่ควรทำซึ่งโอปปาติกะที่จะทำอะไรกับมนุษย์ได้นั้นจะทำได้ง่ายทางใจเป็นหลักนะครับ ในแง่ของโอปปปาติกาที่ดีที่มาคอยช่วยเหลือนั้นก็ตรงกับความเชื่อของเรื่องเทวดาประจำตัวซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ในชาติก่อนแต่เทวดาประจำตัวก็ไม่ใช่แนวค่าธาตุบริวารที่ต้องมาคอยตามต้อยๆคอยช่วยเหลือไปทุกอย่างแนะนำให้อ่านหรือฟังจากหนังสือชุดแ ว, วเสียงสวรรค์และในชุดโลกทิพย์ของสานักค้นคว้าทางวิญญาณถ้าฟังหรืออ่านครบชุดทุกเล่ม ก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ละเอียดถี่ถ้วนครบด้านมากกว่านะครับเหตุไรคนที่ไม่ดีจึงมักจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้าได้เคยกล่าวตอนที่แล้วว่าคนบางคน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 ข้าไีเรียนถามเทพเจ้าอีกองคหนึ่งซึ่งท่านผู้นี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ก็เป็นชาวอเมริกันแต่ต่อมาภายหลังได้เข้ามาศึกษาปรัชญาต่างๆของอินเดียจนกระทั่งมีความรู้แตกฉานและสามารถเข้าสมาธิได้ดีด้วยเทพเจ้าองค์นี้ได้กระรุนาอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังโดยผ่านคุณสีเพนซึ่งมีหัวข้อพอที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้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 ข้อสรุปที่สองการที่คนบางคนเกิดมาประสบ์ต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะวิบาสของกรรมชั่วแต่ตรงกันข้ามเนื่องจากวิบาสของความดีที่สูงส่งและเนื่องจากแรงอธิษฐานที่ต้องการจะเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งที่เลวร้ายต่างๆเพื่อสร้างความอดทนสร้างนิสัยเสียสละและเหนือสิ่งอื่นใด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 ความคิดเห็นในท่านองนี้มีแพร่หลายทั่วไปและนับว่าเป็นความคิดเห็นที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมากแต่จากคำตอบของเทพเจ้าดังที่ได้อธิบายมานี้หวังว่าคงจะให้ความกระจา่างในเรื่องความสับสนในเรื่องนี้ได้ดี วิมานในโลกทิพย์เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์สิริพุทธสุขได้ปรารกับข้าพเจ้าว่าเมื่ออ่านดูในหนังสือโลกทิพย์คือ life in the world unseen ก็พบแต่โบสถ์หรือสิ่งก่อสร้างตามแบบชาวตะวันตกสงสัยว่าในโลกของโอปปปาติกะจะมีโบสถ์มีพระประธานมีศาลาและสิ่งก่อสร้างต่าง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 หรืออยู่ในเผ่านั้นเผ่านี้ผู้ที่อยู่ในภูมินี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพวกภูมิมเทวดาหรือรุกเทวดาแต่อย่างไรก็ดีจะต้องทำความเข้าใจให้ดีว่านี่เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งหรือภูมิหนึ่งในโลกของโอปปาติกะไม่ใช่ว่าทุกๆุกภูมิจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่าพยายามเดา หรือคาดคณนในแบบตักกะวิทยาปัญหามีอยู่ว่าโบสถ์ก็ดีศาลาก็ดีและสิ่งก่อสร้างอื่นๆตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านได้ชี้แจงให้ฟังว่าโอปปาติกาที่อยู่ในภูมินี้ส่วนมากจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร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 แล้วก็มักจะนึกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะมีใครสร้างไว้อย่างเดียวกับในโลกมนุษย์เหล่าคือความคิดเห็นความเข้าใจต่างๆซึ่งเคยมีอยู่ในโลกมนุษย์มีอยู่อย่างไรเมื่อมาเกิดในโลกทิพย์ก็มักจะเข้าใจอย่างนั้นโดยเฉพาะในตอนแรกๆกและยิ่งกว่านั้นบางคนอาจจะมาเจอสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกับในโลกมนุษย์ถ้าหากว่าคนเหล่านั้น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 ทั้งที่ในขณะที่เรายังไม่ตายแต่วิมานก็จะเกิดรอเราอยู่แล้วท่านบอกว่าความเชื่อในลักษณะ น, นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ว่าจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดอยู่ในโลกทิพนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากอำนาจจิตของคนเพียงคนเดียวแต่หากเกิดจากพลังของโอปปปาติกะทุกๆคนที่อยู่ในภูมินั้นซึ่งพวกโอปปาติกะเอง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 ข้อเท็จจริงที่ท่านมองเห็นในโลกของโอปปปาติกะนั้นไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่เกิดจากใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมทุกอย่างก็เกิดจากใจทั้งสิน้นและทุกอย่างในโลกนี้เห็นได้ชัดว่ามีวิญ ญ, ญาณทั้งนี้ก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของโอปปปาติกะกับสิ่งแวดล้อมมองเห็นได้ชัดฉนั้นตามที่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ถ้าหากเทวดาองค์ใดจะจุติคือตายหรือเคลื่อนจากพบนั้นต้นไม้ในสวนก็จะร่วงโรอยอย่างนี้เป็นต้นนั้นเป็นความจริงที่เห็นกันอยู่ทั่ ว, วไปแต่อย่างไรก็ดีสำหรับโอปปาติกาที่อยู่ในภูมิสูงและมีจิตใจสูงไม่ค่อยจะติดอยู่ในเรื่องวัตถุนั้นสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์เลย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 ความร้อนในร่างกายมีความสัมพันธ์อยู่กับจิตใจอย่างใกล้ชิดดังที่ตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่เสมอเช่นในขณะที่อากาศกำลังหนาวนอนห่มผ้าแต่ถ้าเกิดตกใจกลัวอะไรขึ้นมาก็อาจจะเหงื่อออกได้อย่างนี้เป็นตน้นท่านแนะว่าควรจะพยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ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 เมื่อเจอคนยิ้มให้ทำดีให้ก็จะคิดในแง่ลบและมองเขาในแง่ร้ายเกิดความคุณมัวทางจิตแทนที่จะเป็นความสุขความดีใจที่มีคนทำดีให้นะครับสายใหญ่ระหว่างกายเนื้อกับกายทิศคืออะไร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 ที่มาติดต่อโดยวิธีการเข้าส่งเช่นหนังสือ e s t e l o b e s Forti Years Amiium ซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่แพร่หลายมากและมีหลักฐานน่าเชื่อมากในหนังสือเล่มนี้ผู้ทำการบันทึกไม่ใช่เป็นคนที่สนใจต่อทางศาสนาโดยเฉพาะแต่ถึงกระนั้นข้อความที่กล่าวถึงเรื่องสายใยแห่งชีวิตก็ตรงกันแต่สาหรับในทางพระพุทธศาสนา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 มักจะเต็มไปด้วยเรื่องบุคลาธิฐานซึ่งผิดกับในทางพระพุทธศาสนาซึ่งในกรณีที่ถ้าใช้คาอุปมาแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็มักจะเว้นเสียเช่นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ขาดจากกันนั้นท่านบอกว่าก็ตรงกับที่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าการที่คนเราสิ้นชีวิตลงก็เพราะสิ้นวิบากที่จะดารงชีวิตอันนั้นไว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 บางพวกอาหารที่เขากินมีแต่ของเน่าของเสียและพวกนี้ก็มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอของเน่าของเสียก็หมายถึงมีเชื้อโรคและการที่คนเหล่านี้เจ็บป่วยก็หมายถึงมีเชื้อโรคความเจ็บป่วยและเชื้อโรคต่างๆมีขึ้นก็เพราะวิบากแห่งกรรมของเขาเองท่านได้เตือนให้ตระหนักให้มากว่าอย่าได้เอาเรื่องในโลกมนุษย์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 วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแตา่วิญญาณหมายเหตุคำว่าวิญญาณจิตและมโนโหรือใจเป็นไวยพจน์แก่กันคือมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันใช้แทนกันได้นะครับและทำให้นึกถึงคําที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า อาทิตเทวญาณทัศนะของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วเราก็จะไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตราสาัมมาสามัมโพธิญาณอาทิตเทวญาณทัศนะหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกของโอปปปาติกาทั้งหมดซึ่งเมื่อพูดอีกในยะหนึ่งหมายความว่าแม้พระองค์จะเป็นมนุษย์แต่ก็มีความรู้ในเรื่องโลกของโอปปปาติกะ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 และความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ย่อมมีได้แม้กระทั่งในจำพวกโอปปปาติกะชั้นสูงซึ่งโดยธรรมดาก็เป็นผู้ที่มีอภิญญาต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงมนุษย์ผู้มีประสาทจำกัดว่าจะมีความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวสักเพียงไรและความหลงผิดที่ว่านี้ที่ยังคงมีอยู่ก็เพราะหลงในความคิดของตัว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 ไม่มีสาระไม่มีแกนสารไม่คงทนไม่ถาวรและที่ร้าที่สุดก็คือเต็มไปด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆแก่เร็วผุพังง่ายตายง่ายไม่เหมือนกับกายที่ท่านมีอยู่ในขณะ น, นี้ซึ่งดีกว่ากายเนื้ออย่างชนิดที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยท่านได้เ น, นะอีกว่าการเรียนอะไรควรจะเรียนไปตามขั้นของมันโดยลำดับ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 มีพิธีบวชพระหรือไม่อายุของพวกสัตว์นรกและเทวดาในสวรรค์เหตุไรจึงนานอาจารย์ซิริพุทธสุขผู้แปลนหนังสือชุดโลกทิพย์คือ Life in the World u n s e e n เป็นต้นได้ขอร้องข้าพเจ้าให้ช่วยเรียนถามเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าในสวรรค์จะมีพิธีบวชพระเหมือนกับในโลกมนุษย์หรือไม่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 การที่จะกลับไปยังภูมิของท่านจึงไม่ใช่เป็นการยากปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ข้าพเจ้าสงสัยเองข้าพเจ้าเดียวเรียนถามท่านว่าเมื่ออ่านดูในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเช่นในคัมภีร์อภิธรรมปิดกในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า อายุของพวกเทวดาและพวกพรมนานเหลือเกินเช่นในคำภีกล่าวว่าห้า้อปีมนุษย์จึงจะเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชโดยปกติก็จะมีอายุ ข, ขายถึงห0 0ร้ปีทิพย์ซึ่งในเมื่อคิดเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์แล้วช่างมากมายซสียละเกินและถ้าเป็นเทวดาที่สูงไปกว่านี้การเทียบเวลาก็จะผิดกันไปอีก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 เพราะตัวอย่างในคัมภีรก็มีที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ตกนรกไม่นานเท่าไหร่ก็ขึ้นมาได้เช่นพระนางมัลลิกาเหสีของพระเจ้าประสเสนที่โกศลเมื่อตายแล้วตกนรกนับตามเวลาในโลกมนุษย์ก็เพียงเจ็ดวันเท่านั้นใครจะอยู่ในโนโรกนานหรือไม่นานโดยคิดตามเวลาในโลกมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสันดานของคนคนนั้นเปล่าคือ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 ไปเปรียบเทียบกับนรกในโลกของโอปปาติกะอันนี้ต้องระวังให้มากการลงโทษในเมืองนรกหรือการได้รับทุกข์ทรมารในเมืองนรกเกิดขึ้นได้อย่างไรข้าพเจ้าได้เคยเขียนมาแล้วขอให้กลับไปย้อนดูจากตอนที่ผ่านมาแล้วนั้น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 ปัญหาข้อนี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้ถามแต่ท่านพราวรบขึ้นมาเองเนื่องจากท่านได้ไปฟังปักฐกถาที่แผนกธรรมวิจัยเมื่อหลายอาทิตย์ล่วงมาแล้วซึ่งสุภาพสตรีผู้หนึ่งได้แสดงปักฐกถาในหัวข้อว่าเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขซึ่งผู้แสดงปักฐกถาพยายามที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างไรและการตายเป็นสุขอย่างไรท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่า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 ในขณะนั้นในใจมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยมีความเข้าใจลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางไหนก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วสมองของผู้นั้นก็จะแจ่มใสจาอะไรได้แม่นเข้าใจอะไรได้รวดเร็วและถาหากในขณะนั้น ใ, นในใจเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีความเสียสละความกล้าหาญความไม่กลัวตาย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 คนในโลกมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปแต่ถึงระนั้นภาพที่น่าสังเวชเหล่านี้ก็ยังไม่มากเท่ากับในโลกของโอาปาปาติกะท่านบอกว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายเพื่อห น, นีจากความทุกข์ในโลกไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ตายแล้วจะเป็นสุขคนที่ถูกเขาฆ่าตายถ้าหากทำใจให้เป็นสุขได้เหมือนท่านมหาตามะคานที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 ในจํานวนคนที่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตนั้นส่วนมากมักจะเข้าใจว่าคนที่ตายไปสามารถที่จะติดต่อได้ทุกคนโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในจํานวนคนที่ตายไปนั้นน้อยคนมากที่จะติดต่อได้ฉ น, นั้นคนที่มาขอให้ข้าพเจ้าช่วยติดต่อกับญาติพี่น้องที่ตายไป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 ไม่สนใจในเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วเราทุกคนก็มีเรื่องใหม่มีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องทําที่จะต้องสนใจอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกาส่วนมากก็มักจะอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าคนที่ตายไปแล้วจะขอให้เขามาติดต่อกับมนุษย์ได้ง่ายๆโดยธรรมดาผู้ที่ตายไป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 คคประเภทนี้ในระยะแรกๆก็จะไม่นึกถึงโลกมนุษย์เพราะว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์ทำให้คนเหล่านี้มีความสนุกเพลิดเพลินจนลืมนึกถึงความหลังและเขาเองก็คิดว่าไม่นานเท่าไหร่ที่เที่ยวชมที่นั่นที่นี่แต่เมื่อ น, นับเวลาในโลกมนุษย์แล้วอาจจะกินเวลาเป็นปีๆหรือนับเป็นสิบๆปีก็ได้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 บางคนจึงสามารถที่จะหลับอยู่ได้เป็นเวลาตั้งสิสิบปีหรือร้อยร้อยปีการนอนหลับในโลกของโอปปาติกะถือเป็นการพักผ่อนเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์และบางคนด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศลก็อาจจะทำให้เขาต้องหลับอยู่นานที่ว่าเป็นด้วยอำนาจแห่งวิบากของกุศลก็เพราะบุคคลประเภทนี้ถ้าฟื้นขึ้นมาแล้ว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 ที่จะติดต่อทันทีไม่ได้หลังจากตายคนที่ตายด้วยอุปัตวะเหตุหรือถูกฆ่าตายบางคนก็หลับอยู่ไม่นานไม่ช้าก็ฟื้นขึ้นมาพวกนี้เมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่ๆทั้งสภาพของร่างกายและจิตใจจะเหมือนกับสภาพก่อนตายแต่ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาตายมาแล้วและมีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นบ้าง เช่นไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่าหรือไม่เช่นนั้นก็โปลงตกที่ตัวเองต้องตายด้วยอุปทวะเหตุหรือถูกฆ่าตายเช่นนั้นโดยสำนึกได้ว่าเนื่องมาจากกรรมของตัวเองสำหรับคนที่คิดได้อย่างนี้ก็มีทางจะฟื้นคืนดีได้ง่ายคือร่างกายจะหายจากสภาพความเจ็บปวดได้เร็วและถ้าหากคนไหน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 บางคนก็สติเสียไปเลยคือความจําอะไรในหัวหลังเลอะเลือนไปหมดเหมือนกับคนที่ถูกตีที่สมองไม่ถึงตายแต่ความจําเลอะเลือนสติสัมปชัญญะสูญเสียบุคคลที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้แม้จะตามมาให้พบกับญาติพี่น้องได้แต่ก็ไม่อาจจะบอกเรื่องราวต่างๆให้กับญาติพี่น้องได้และอีกพวกหนึ่ง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 แต่ละคนซึ่งถ้าคิดตามเวลาในโลกมนุษย์แล้วก็ต้องนับกันเป็นปีๆทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเราจะติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้ง่ายๆแม้จะมีบุคคลที่เป็นสื่อกลางสามารถจะติดต่อได้ก็ตาม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 ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้นัทธาลิมปิสุขปัญญาโกจันพลพรณพิวัฒนาเสวีครอบครัวสุธรรมมบุตรรัตนนพุ่มพวงนัทธมนทนาตรัยสิทจันทนาสราสืบกุลเปรมิกาสิรณิชกุลพัทธิราช่างพินิจกัญญนัททองบุญ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 การส่งผลเขากำเคยทำอะไรทำดีหรร้ายลมันคือกัรมแม่ดวและดาวจะไม่พราแสนแม้วันนี้จะอ่อนรด้วยว่าทำดี ไว้สิ่งที่เจอมีเหตุมีพลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องไรจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นดูอยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรอุนเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้น สิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเ้เหตุผลไครแต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดี กระทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ า, ายยรงลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลเข้ากรมเคยทำอะไรทำดีหรือร้าย แม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดนมนให้มั่นใจไว้สิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดีฮ อักเป็นคนดี